อีกเรื่องหนึ่งนะเทวบุตตเจริยาในชาตินี้เป็นเทวดาบ้างกันะเป็นเดรชานก็เป็นมาแล้วเป็นงูเป็นหน้าเป็นช้างเป็นเป็นกระบือมาตลอดมาเป็นคนจันทานเป็นพระราชาอันนี้มาเป็นเทวดาบ้างอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นเทพบระบุชื่อว่าธโมเป็นเทพบระบุที่มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มาก บรมีบริวารมากเป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลกทั้งปวงก็คือเป็นผู้ที่มีใจกรุณาต่อโลกทั้งปวงเราชักชวนให้มหาชนสมาทานกุศลกรรมบทสิบประการเที่ยวไปยังบ้านและนิคมมีมิสหายมีบริวารชนนก็แสดงว่าเป็นเทวดาที่ไปเที่ยวสั่งสอนให้พวกมนุษย์ทั้งหลายสมาทานอยู่ในกุศลกรรมบทสิบประการ ในการนั้นก็มีเทพบุตรลา ม, มกนะเทพบุตรใจบาปอีกคนหนึ่งเป็นผู้ตรณีแสดงอากุโสรกรรมบท10ประการแม้เทพบุตรนั้นก็เที่ยวไปในแผ่นดินนี้มีมิตรมีสหายมีบริวารเราทั้งสองนะเราเป็นธรรมวาทีเทพบุตรส่วนเทพบุตรองค์นั้นก็เป็นอะธรรมวาทีเทพบุตรเป็นข่าศึกแก่กันแล้วกันมันน่าคิดไหมกันนะวะ่าเทวดาเนี่ยนะเทวด า, าคนหนึ่งมาสอนให้เว้นจากการฆ่าสัตว์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 พร้อมกับเมื่อเราหลีกออกจากทางทำการระ ง, งับจิตได้แผ่นดินก็ให้ช่องแก่อธรรมะเทพบระบุในขณะนั้นชนิ้แหล่ที่พระองค์เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระเทวทัศ์ ถ, ถูกแผ่นดินสูบพระภิกษุก็มาสนทนากาันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระเทวทัต์ ถ, ถ, ถูกแผ่นดินสูบไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตก็ถูกแผ่นดินสูบเหมือนกันพระองค์ก็ยกเรื่องนี้ขึ้นไปเล่า เรื่องราวในอัตถกถ า, ธามีเล่าว่าบทว่าธรรมโมนามะมหายัะโขเนี่ยนะคือเทพบุตรนั้นมีอนุภาพมากชื่อว่าธรรมะเรียกว่าธรรมเทพบุตรสัพพโลกาโนกรรมปโกเป็นผู้มีอนุเคราะห์โลกทั้งปวงด้วยกรุณาด้วยมหากรุณาไม่ทําการแบ่งแยกนะพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยใจที่เป็นกรุณามุ่งที่จะบําบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมุ่งที่จะปลดเปลื้อง ให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ก็หมายความว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในความชั่วจริงอยู่ตอนทำชั่วดูเหมือนสนุกดูเหมือนมีความสุขแต่ว่ากรรมมสมาทานที่เป็นอกุศลตอนทำเนี่ยสุขสบายทำนี้ดูเหมือนสบายแต่ว่าพ้นแห่งการกระทำนั้นเดือดร้อนเล่าร้อนเดือดร้อนลำบากอันใจของพระโพธิสัตว์ที่มีกรุณามุ่งปรารถนาที่จะให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจากความทุกข์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 ธรรมเทพระบุตรนั้นตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพขึ้นทิพรสแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอับศรเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคอาหารในเวลาเย็นแล้วก็นั่งสนทนาการอย่างเป็นสุขที่ประตูเรือนวันนั้นเป็นวันอุโบสถสิบห้าขมปฏิสถานอยู่บนอากาศเทวเทพเทพเทวดานี้มาปรากฏตัวบนอากาศในบ้านนิคมราชธานีชาติชวนมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการ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 ท่านทั้งหลายปฏิบัติได้ตามนี้จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าจะมียศยิ่งใหญ่ท่านก็เที่ยวโอวาทเที่ยวสังสอนหมู่มหาชนอยู่อย่างนี้ดังที่พระองค์ตรัสว่าเราชักชวนมหาชนให้สมาทานกุศลกรรมบทสิบเที่ยวไปยังคามนิคมมีมิดมีบริวารชนนะก็มีผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมมีคนที่ปฏิบัติตามโอวาทคาสอนของท่านมากมาย นะพะท่านสอนให้เว้นจากอากุศลกรรมบท10ให้รักษาอยู่ในกุศลกรรมบท10ประพฤติสุดจริญสานะปฏิบัติอ่อนน้อมอ น, นะก็คือเวเรียกว่าอะไรนะประพฤติในกุศลละอากุศลเจริญกุศลแล้วก็ประพฤติจารีตที่ดีงามการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญทั้งหลายทีนี้ตรงกันข้ามก็มีเท พ, พบุตรอีกองค์หนึ่งชื่อว่าอธรรมเท พ, พบุตรอะธรรมก็คืออากุศลกรรมบท เรียกว่าเทพพบุตรผู้ตั้งมั่นอยู่ในอากุศลกรรมบทเกิดในเทวโลกชั้นกามาพจรบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคนเลวมเกิดในสวรรค์ได้หรือเป็นไปได้ไ้ยมเกิดได้ยังไงก็บอกมันก็ไม่มีใครเลวถาวรรอกมันก็มีทําดีอยู่บ้างเนี่ยนะนะก็ทําดีบ้างคุณงามความดีก็ให้ผลเป็นสุขแตอ่อัธยาศัยเลวๆก็ไปตามเล่นงานอี ก, ก น, นะพั เกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ด้วยผลของบุญแต่ว่าไอ้อัธยาศัยเลวๆที่เคยสังสมมาก็เป็นอุปนิสยัยเพราะเทพบุตรเหล่านี้บุญก็นำเกิดในสวรรค์พอบุญเหล่านั้นนำเกิดบาปที่เป็นอัธยาศัยอุปนิสัยก็ตามกลุ่มรมเบียดเบียน อาธรรมเทพบุตรนั้นก็เกิดในเทวโลกชั้นกา ม, มาประจรอาธรรมเทพบุตรนั้นก็ชักชวนสัตว์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในอกุศลกร ร, กกรมรบท10ประการโดยนายเป็นต้นสอนว่าท่านทั้งหลายจงฆ่าสัตว์จงลักทรัพย์เนี่ยนะแล้วก็แวดล้อมด้วยบริวารใหญ่เที่ยวไปในชมพูทเวท่านทั้งหลายจงประพฤติผิดในกรรมท่านทั้งหลายจงพูดเท็จพูดซอเสียให้มันแตกกร้าวรานกันเป็นต้นเนี่ยนะก็มิใช่น้อยนะพวกที่ที่เป็นอย่างเนี้ยนะ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 อันนี้แสดงในฐานะผู้มีปัญญาเ้าสอนนะนะเขามีเทคนิคกว่านี้เยอะก็ไม่ได้บอกนี่ความเลวสิบประการนะท่านจงไปทําไม่ได้ใช้คํานี้หรอกเขาพูดแบบมีเทคนิคชั้นเชิงสูงมากแต่ว่านี้พูดแบบคนมีสัมมาทิฏฐิก็บอกว่าความเลวรามกสิบประการมีปาณาติบาตเป็นต้นควรทําเนี่ยนะ <c oughs> ควรทำก็เหมือนกับสมัยใหม่ใช่ไหมโอ๊ยมันต้องสงครามมันต้องฆ่าสิเพื่ออะไรเพื่อโลกจะได้สงบจะได้สุขจะต้องกวาดล้างจะต้องเข้นต้องฆ่าโลกจะได้สงบร่มเย็นวันนี้เขาโอมีเทคนิคชั้นเชิงก็ดี น, นะพูดเกลี้ยกล่อมซะคนอื่นเห็นด้วยหมดอ น, นะนะชั้นเชิงในการสอนให้ฆ่าสอนให้ผิดกาเมวิธียั่วยุให้เป็นกาเมให้ธรรมทินนาทานให้คดให้โกงเป็นต้นเขามีวิธีการเยอะแยะไปหมด น, นะนะแต่นี่ก็ก็สั่งสอนบอกว่าโอ้เนี่ยถ้าท่านทําอย่างนี้นะ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 ลุกจากที่นั่งบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นพากันสรรเสริญจนล่วงสายตาแล้วก็ยืนผนนมือไหว้กล่าวถ้อยคำของธรรมะเทพระบุติแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญบุญทมบุญด้วยความเคารพตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเพราะนับถือเทพพ ย, ายดาเทพพ ย, ายดาดีนับถือเทวดาดีส่วนสัตว์เหล่าใดมีความประพฤติลามกเป็นคนชั่วอยู่แล้ว มีการงามหยาบช้าหมายก็ว่าทําแต่ความชั่วด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะสัตว์เหล่านั้นฟังถ้อยคําของอะธรรมเทพพบุตรก็พากันพอใจเป็นอย่างยิ่งประพฤติทำความชั่วยิ่งกว่าเก่าอีกนะนะเคยฆ่าน้อยก็ฆ่ามากขึ้นเคยขโมยน้อยปล้นน้อยก็ทํามากยิ่งเ ค, เคยผิดกามเมเล็กน้อยก็เอาหนักขึ้นก็เดิมจากมิจฉาทิฏฐิน้อยๆก็เสริมเพิ่มไปเรื่อยๆนะ สรุปว่าเทพบุตรทั้งสองก็มีวาทะวาทะตรงนีแ้แปลว่าทิฐิทีท่แตกต่างกันตรงกันข้ามกันเป็นค่าศึกของกันและการเที่ยวไปในโลกด้วยประการชนีสงสารในพวกคนฟังอะนะเชื่อใครดีนะเนี่ยนะ <c oughs> ก็เหมือนกับยุคนี้เนี่ยนะโอ้ยคนน้นก็ว่าอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งโอ้ยจะลงเจ อ, อยยังไงเคยมีงานบางงานเนี่ยนะก็มีพิธีกรวิทยากรเนี่ยไปสอนธรำเนี่ย เรียกว่าไอ้คนฟังนี่ก็กลุ่มเดิมชุดเดิมเหมนะเช้ามาไอ้คนสอนก็สอนไปอย่างหนึ่งบ่ายก็สอนไปอีกอย่างหนึ่งเย็นก็สอนไปอย่างหนึ่ ง, ง, งวันหนึ่งสารอบอาทิตย์หนึ่งอะคิดดูนะรับข้อมูลที่วิจิตพิสดารมากคนฟังก็เออฟังไม่รู้จะทํำยังไงกันดีนะฟังแล้วงงไปหมดเลยไอ้คนที่จะปฏิบัติเป็นสาระนะพวกนี้ฟังแล้วงงไปหมดแต่ไอ้คนที่มาฟังเออสนุกดีไอ้คนนี้ก็พูดมี headphone. เหตุผลไอ้คนนั้นก็พูดไม่เลวเนะี่ก็ผ่านไปสบาย นะก็มีคนหนึ่งแบบก็มีวิจิตพิสดารจริงๆยุคนี้เป็นยุคที่โลกอู้อะไรจะวิจิตเท่ายุคนี้ไม่มีอีกแล้วเรียกว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปหมดเนี่ยนะอันก็สุดแท้แต่ว่าใครถือว่าอะไรเป็นสาระอะไรดีอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นข้อปฏิบัติแต่เชื่อ he, ทุกคนคิดว่าตัวเองกําลังปฏิบัติข้อปฏิบัติไปนิพพานเหมือนกันหมดจะไปจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ก็เหมือนถนนบนอะไรนะก็เหมือนกับว่าถนนบนกรุงเทพนี่แหละใครจะคิดว่าตัวเองกําลังไป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 แนวโน้มที่จะล่วงอากุศลกรรมบทอยู่แล้วก็แสดงว่าใจจริงๆลึกๆแล้วเอ็นไปหาอธรรมเทพเทพบุะบถ้าหากว่าใจพื้นฐานลึกๆเป็นคนที่สรรเสริญกุศลกรรมบทพวกเหล่านี้ก็มาหาธรรมวาที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 ยังก็ว่าไม่เรียนแล้วจะดียังไงละสรุปว่าเทพพบุตรทั้งสองคนเนี่ยนะก็เที่ยวโอวัสัังสอนประชาชนก็นับถือกันเรียกว่าก็ยางว่านะผู้ที่แสดงเช่นใดก็จะมีบริวารตามสมควรแก่บริษัทนั้นๆพูดอะไรก็ได้จะต้องมีคนฟังเนี่ยนะยังคิดดูนะรายการถ้าทั้งเกตดูนะมุนในวิทยุในเห็นนะจะพูดอะไรก็ได้ออกไปจะต้องมีคนฟังให้ พูดผิดพูดถูกพูดสรรเสริญอะไรก็ได้พูดเรื่องหมูหมากาไกา่เรื่องเห็ดเรื่องอาหารเรื่องสารพัดอย่างดินน้ำไฟลมอากาศเรื่องโลกฟ้ามหาสมุทรใต้พิภพเรื่องดินน้ำไฟลมมีคนฟังให้ทั้งหมดแสดงว่าตามอัธยาศาัยของนั้นๆก็เรียกว่าจะมีบริษัทนั้นๆเป็นเป็นผู้ฟังพวกก็ตรัสนะว่าผู้ฟังเนี่ยตามสมควรแก่บริษัทว่า ง, งั้นเถะ ผู้ที่ก็เรี่ผู้แสดงก็ตามสมควรแก่ผู้ฟังผู้ฟังก็ไปเลือกเอาประเภทธาตุมันใกล้เคียงกันเอาความพวกเราเนี่ก็แสดงว่าธาตุใกล้ๆกันแต่ว่าอย่าลืมว่าธาตุมันแบ่งได้อ้าวมันสลับธาตุได้ธาตุมันกลับกลายได้ใช่ไหมหมายว่าช่วงนี้ว่ามีธาตุเหมือนๆกันมาก่อนว่างั้นเด็ก็เรียนอะไรนะธาตุแบบจริยาปิดกเหมือนกันก็มารวมกันอยู่เนี่ยแต่มันแปรธาตุได้ก็ไปคิดอะไรมากอันนี้พูดกลับมาในเรื่องเก่าก็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 งอนรถกับงอนรถก็ชนกันเข้าว่างนะเนี่ยงอนเนี่ยนะงอนรถงอนงอนยพูดยากนะแสดงว่าหัวรถมันชนกันกันแล้วกันทั้งสองฝ่ายก็โต้เถียงกันเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องหลีกออกจากทางว่าท่านจงหลีกรถของท่านออกไปนอกทางฝ่ายอีกฝ่ายก็บอกว่าจงหลีกให้เราว่า้นสรุปมีแต่คนใหญ่เลยนะ่ยมีแต่คนใหญ่ใครจะหลีกให้ใครแล้วกันนี้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 เพื่อต้องการจะหลีกถักทางเนี่ยนะเรื่องไม่ได้ดูใหญ่โตอะไรเนี่ยนะแต่เชื่อเหะกิเลสนนะี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆสักพักหนึ่งก็เห็นอะไรนะปากีสถานกับไออินเดียมทะเลาะกันเรื่องไอคแคว้นแคชเมียร์เนี่ยนะมันก็โอ้ยก็อยู่นั่นแหละถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกไม่ราไม่เลิกไม่รามาตั้งนานนมนานเต็มทีแล้วเพื่อจะแย่งไอคแคว้นแคชเมียร์เนี่ยเคนฆ่ากันมหาประลายตายกัน แต่ภาพ ก, ก็ถ่ายนะอืดจริงๆเลยนะันอืดแบบอะไรนะแบบสับตาเยอะๆนะมันก่อนดูอะไรนะพวกสงครามญี่ปุ่นที่เมืองจีนนะอันนี้เย็นๆดูไอ้ของอินเดียกับปากีอังกฤษกับอินเดียนะี่นะโอ้ยขึ้นอืดขึ้นพองน ะ, ะทะเลาะกันนะสงครามก็ปรากฏขึ้นนี่ก็เหมือนกันเนะี่ยเรื่องบางเรื่องที่คนทะเลาะกันจริงๆโดยมากเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลย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 ทางจงเป็นของผู้ชนะในการรบเถอถ้าใครรบชนะเอาทางไปสรุปว่าธรรมเทพธรรมเทพบุตรก็คือเขามีการสนทนากันว่าเราเป็นผู้ให้ยศเราไปเที่ยวให้ยศนะไปให้ความเจริญแก่สรรพสัตว์เราไปให้บุญแก่สรรพสัตว์สมณะและพรามเราก็สันเสริญทุกเมื่อเรานี่เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาเราจึงสมควรจะได้ทางธรรมเทพบุติเราเป็นธรรมเทพบุตรท่านจงให้ทางเราเถอ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 วันนี้เราจะให้ทางที่เราไม่เคยให้แก่ใครๆแก่ท่านได้เพราะเหตุไรเล่าเนี่ยนะเฮ้ยเรานี่ไม่ไม่คกิดอะไรนะไม่เสียวเลยนะเราไม่ไม่ไม่ขนลุกแม้แต่นิดเดียวไม่เฮ้ยเรื่องอะไรเราจะให้ทางท่านเราไม่ได้กลัวท่านแม้แต่นิดเดียวหรอกทำงั้นธรรมเทพบุตรก็บอกว่าทำนั่นแลปรากฏมาก่อนกุศลกรรมบรนี้เป็นของเก่าของแก่นะธรรมเนี่ยเกิดในโลกภายหลัง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 ธรรมเทพบุตรก็บอกว่าดูก่อนอาธรรมเทพบุติเราเป็นธรรมเทพบุติมีกําลังมากมียศนับไม่ได้หาผู้เปรียบไม่ได้เป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมทั้งปวงปรากฏแพร่หลายไปทั่วทิศท่านจะชนะได้อย่างไรเราเนี่ยบริวารเราเยอะนะพวกเราก็มากสรรพสิ่งทั้งหมดท่านชนะเราได้อย่างไงสรุปว่าอาธรรมเทพประบุติก็มีเทคนิคของเขาก็าบอกว่าค้อนเหล็กนี่ทุบเงินได้แต่ว่าเงินนี่ทุบค้อนเหล็กไม่ได้ะนะ กูประมาณเขนี้เขาทาใช่ไหมหากวันนี้อะธรรมจะฆ่าธรรมะได้เรานี้เป็นเหมือนกับเหล็กจะพึงแสดงให้เห็นเป็นดุจทองคําหมือนกนทุบได้หมดอะนะเพราะฉะนั้นเคยเห็นเงินมาทุบอะไรนะเงินทุบเหล็กหรือว่าเหล็กทุบเงิน ก, ก, กันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะธรรมสิต้องทุบธรรมะเหมือนนอะธรรมธรรมะเทพบุตรก็บอกดูก่อนอะธรรมเทพบุตรหากท่านมีกําลังในการรบ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 เพื่อไม่เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์โลกยึดถือสิ่งตรงกันข้ามกับเราอย่างนี้ว่าดูก่อนคนไม่มีมารยาทท่านอย่าอยู่ที่นี้เลยรีบหลีกไปเสียเถิดจงพิ่นาเถอะถ้าหาว่าพระโพธิสัตว์พูดจบนะขณะนั้นแหละเขาจะกระจัดกระจายดุดขี้เท่าทานด้วยเดชของเราแต่นั่นไม่สมควรแก่เราเราอนุเคราะห์สรรพสัตว์ปฏิบัติมุ่งหวังว่าจากอย่างโลก น, นะประพฤติโล ก, กัตจริยาประพฤติเพื่อสงเคราะห์โลกให้ถึงที่สุด <c oughs> ก็คนลามกนี่แหละจะมีส่วนแห่งทุกใหญ่ต่อไปเราจะพึงอนุเคราะห์คนลามกนี้เป็นพิเศษ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะให้ทางแก่เขาด้วยอาการอย่างนี้ศีลของเราจะบริสุทธิ์ด้วยดีจากไม่ขาดยอมเข้าหน่อยกันละกันนะศีลของเราจะได้ไม่ไม่เสียเนี่ยนะเป็นคนผิดซะบ้างเสียนะเรียกอะไรนะเป็นคนแพ้บ้าง นะเป็นคนผิดบ้างเป็นคนแพ้บ้างสำนวนว่าถ้าเราชนะคนผ่านนี่มันเลวมันดีตรงไหนเอางี้ก็กันไปเถียงจนชนะคนเมาอ่ะเอเก่งมากเลยใช่ไหมเก่งยิงยงเถียงจนชนะคนเมาเถียงจนชนะคนบ้าอย่างน้นนะดีไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเขาเลวขนาดนี้ถ้าเราไปสู้จนชนะเขาเนี่ยใครเลวกันแ น, น่ก็เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นหลีกไปด้วยไม่ยอมเสียศีลดีกว่าเนี่ยนะ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 เราพึงอาธรรมเทพบุตนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุจธุลีได้แต่เพื่อจะรักษาศีลเอาไว้เราพึง เ, เราจึงระ ง, งับความปรารถนาะแห่งใจเสียคือใจที่จะแช่งเขาอะนะพร้อมทั้งบริษัทได้หลีกทางให้แก่อาธรรมเทพบุตบุพร้อมกับเมื่อหลีกทางการระ ง, งับจิตได้แผ่นดินก็ได้แยกช่องให้แก่อาธรรมเทพบุตรในขณะนั้นดังนี้ ก็คิดดูนะพระพที่ิสัตว์ไม่ต้องเปื้อนบาปเลยคนเลวเนี่ยนะเราไม่ฆ่าเขาขตายเนี่ยนะก็จริงนะคนเนี่ยมันเกิดมาก็เพื่อรอความตายใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องไปเปื้อนบาปโรคเนี่ยนะจะต้องไปเปื้อนบาปกับใครทำไมจะต้องไปแบ่งบาปแบ่งกรรมเข้ามาเนี่ยนะั้นถ้าเราอาจจะฆ่าเขาได้จริงแต่ว่าเราจะถูกฆ่าอีกกี่ล้านชาตินะ่ะสมมติว่าถ้าอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะพนางมริกาเล่าว่าเราฆ่าแพะตัวหนึ่งเนี่ยนะ เราถูกฆ่าเท่าจํานวนขนแพะเขว่างั้นคุมไหมนะไม่ไม่ได้คุ้มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมถูกฆ่าชาติเดียวเนี่ยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นอะ่ะคือที่เราถูกฆ่าจริงมันผลของกรรมเก่าถ้าเราไม่เคยฆ่าคนอื่นไว้ก่อนคนอื่นก็ไม่ฆ่าเราหรอกคนอื่นวางแผนฆ่ายังไงคนวางแผนฆ่ามตายไปก่อนซะแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าบุญก็ปกปักรักษาทัานโลกนี้มันอยู่ด้วยผลของบุญอายุยืนก็เพราะ ผลบุญมาบางคนเนี่ยนะเขารักษาหมอดูแล จ, จนหมอเกือบจะตายคนไข้ก็ยังตายเลยว่างั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตยืนอยู่ได้อายุยืนอายุสั้นมันอยู่ด้วยผลของบุญขนาดเขาไม่ฆ่ายัางตายเลยใช่ไหมมะเร็งฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะเนเกิดมาก็เพื่อรอความตายหลายคนที่เขาฉลาดคิดคิดเป็นเนี่ยนะเขารู้จักวิธีคิดว่าทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปเปื้อนกรรมเปื้อนอกุศล อนนะันเพียงแต่รอว่าอีก2ปี3ปีหรืออีกไม่เกินร้อยปีเขาก็ตายแล้วเนี่ยนะาไมจะรอไม่ได้เนี่ยนะทำไมเราต้องไปไปอะไรนะไปช่วยส่งให้เ้าตายเร็วขึ้นเพื่อเราจะได้มีความเลวความร้ายสาบแช่งตัวเองต่อไปในอนาคตเันการฆ่าหนึ่งครั้งการสาบแช่งผู้อื่นครั้งหนึ่งเป็นบุญบารมีให้เป็นรบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหม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 สรุปบอกว่าบทว่าศีละรักขายะเพื่อจะรักษาศีลนิบานะเปตวานะสงบใจด้วยความสงบความกระวนกระวายที่เกิดจากโทสะโดยไม่ยอมให้ความโกรธไม่ยอมโกรธในอธรรมเทพบุตรนั้นเกิดขึ้นเราเข้าไปตั้งไว้ซึ่งขันติก็คือเต็มไปด้วยความอดทนเนี่ยนะมีเมตตาหวังที่จะให้เขาประสบแต่ความสุขมีกรุณาไว้ล่วงหน้านะ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 บางทีคนด่าก็ลืมไปตั้งนานแล้วว่าเขาด่าใครไปบางทีเขาพูดเล่นๆไปนะอีกฝ่ายนึงก็เก็บแล้วกเก็บมาคิดนะสรุปว่าใครทําบากปกับใครกันแน่ก็ใจเอ้ยใจเนี่ยนะจะพาไปบาปไปถึงไหนจะพาเราไปทําบาปถึงไหนเนาะทำไมแช่งตัวเองขนาดนี้นะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อสาปแช่งตัวเองขอให้แกเดือดร้อนขอให้แกนอนไม่หลับขอให้มันรา่าร้อนนั้นเขาเขาด่าคําเดียวให้เราคิดเป็นล้านครั้งเป็นหมื่นครั้งเป็นโกรธครั้งจะได้ทุกข์นานๆจะได้ทุกข์เยอะๆทุกข์มากๆ ทุกชาตินี้ด้วยทุกชาติหน้าด้วยทำลายตัวเองด้วยเนี่นะอยไม่รู้จะสาบแช่งตัวเองไปถึงไหนก็ไม่รู้เนี <c> ่ย <oughs> แต่ว่าแต่ก็พื้นฐานเราต้องตั้งคุณธรรมไว้ก่อนต้องเข้าไปตั้งขันตีคันตีคืออะไรคาว่าอดทนกับทนอดไม่เหมือนกันนะอดทนก็หมายความว่าคือเข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหม ก, ก็เหมือนอย่างว่าถ้าเราเดินผ่านสุนัขสุนัขทํายังไงมันยิ้มเลยใช่ไหม มันก็เห่าบ้างธรรมดาเวลาไปทําอะไรก็เขาคือสุนัขถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วยุงมันกัดจะไปไว่ายัางไงไปทะเลออาะกับยุงเลยเขามีคนโง่นะบอกว่าอะไรนะมันมีคนโง่อยู่คนหนึ่งจริงๆอมีเรื่องจริงนะอยู่ในชาดกมีคนโง่คนหนึ่งนะยุงมันกัดที่หน้าผากบอกลูกๆช่วยฆ่ายุงให้พ่อทีก็ไปเอาขวานมาเลยจามเข้าไปที่หัวพ่อนะี่นะพ า, ามันกัดที่หน้าผากนะ แล้วก็ไอ้ลูกนี่โง่ไหมก็เลยถือเอาขวานนี่มาสับที่หน้าผากเข้าไปเนี่ยนะมันก็ความไม่ฉลาดนี่ทำอะไรคนโง่แก้ปัญหานี่มันเดือดร้อนเข้าไปทุกทีไปนี่ก็เหมือนการถ้าเราไม่ตั้งไว้ในคุณธรรมเราไม่เข้าใจอะไรเลยเนยะเราก็จะเดือดร้อนอยู่ร่ำไปอยู่หน้าฝนฝนมันก็ตกอยู่หน้าหนาวอากาศมันก็เย็นหน้าร้อนมันก็มันก็ร้อนเป็นต้นเป็นเรื่องธรรมดาเราเ้าไปใกล้คนพาลก็คนพาล น, นะอย่างที่ยอมเขาว่า ถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้เสือใกล้จระเข้เนี่ยนะถ้ามันถ้ามันกอดเราเนี่ยนะแหมมันกอดพร้อมตั้งเล็บใช่ไหมข่วรมาทีหนึ่งเราก็เดือดร้อนแล้วก็เพราะว่าเข้าเป็นเป็นคนพาลฉันใดบรรดาเราก็ตั้งเข้าไปตั้งคุณธรรมเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะก็ไปตั้งขันติตั้งเมตตาตั้งกรุณาเอาไว้ให้ดีไม่งั้นเราก็เปื้อนบาปมาอีกจนได้เนี่ยนะจ <c oughs> บเมื่อธรรมเท พ, พบุตร ขอไปเมื่ออธรรมเทพบุตรตกลงในแผ่นดินอย่างนี้แผ่นดินที่หนา2อง0 0 0สี่นโยศปกติแผ่นดินทรงได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีทรงได้ทั้งดอกไม้ของหอมและอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นแต่นี้ก็ทนไม่ได้ก็เลยแยกให้อธรรมเทพบุตรที่ยืนอยู่ตรงนั้นที่กล่าวว่าเราไม่สามารถทรงบุรุษชั่วนี้ไว้ได้ก็กล่าวว่าจุติจากเทวดาปฏิสนธิในอเวจี ส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อธรรมะเทพบุตรนั้นตกลงไปเกิดในอเวจีมหานรกก็ยังยืนอยู่ที่แอกรถพร้อมกับบริวารด้วยเทวานุภาพใหญ่เสร็จแล้วท่านก็ไปตามทางนั่นแหละไปยังภพของตนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเทพบุตรมีขันติเป็นกำลังนะสงครามครั้งนี้ท่านใช้การขันติเป็นกาลังชนะอธรรมเทพบุตรผู้มีกาลังในการรบทาอธรรมเทพบุตรฝังไว้ในแผ่นดิน อดทนอย่างเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ก็จุติไปหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันต้องฆ่าเขาสิเราจึงจะชนะเสร็จแล้วพอเราฆ่าสมมติเราฆ่าอีกคนหนึ่งเสร็จใช่ไหมไอคนที่เหลือก็มาฆ่าเราสรุปถ้าเราถูกฆ่าสักครั้งเดียวเนี่ยนะถ้าคือตั้งคำถามแบบนี้ว่าเราฆ่าอีกคนหนึ่งตายเสร็จแล้วคนที่คนหลังก็มาฆ่าเราตายกับถ้าเราฆ่าถูกฆ่าตายตั้งแต่ตอนแรกอันไหนดีกว่ากัน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 ในที่สุดก็ตายจนได้เพราะว่าศาสตร์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อจะตายอยู่แล้วว่างั้นขนาดเขายังไม่แช่งใลตายไปแล้วอย่างไั้นนะเขาอ้อนวอนขอร้องยาเลยร้องให้ระงมมาอย่าเพิ่งตายเลยหนีตายไปฉิบไปเลย <c oughs> สรุปบอกว่าธรรมเทพผบุตรเป็นผู้มีกำลังอย่างยิ่งไม่ล่วงสัตว์จะใจดีแล้วดีใจขึ้นรถไปตามทางนั่นเอง คือท่านก็รู้ว่านะว่าผลบุญผลบาปะนะเพราะใครทําเช่นใดก็สเสวยวิบาบเช่นนั้นนั่นแหละก็เราก็ไม่ต้องไปเปื้อนบาใชไหมถึงคนอื่นเขาตกนรกไปสู่อาบายทุกขติวินิบาศแต่เราไม่ได้ไปทําบาปทํากรรมกับเขาเลยเขาก็ไปตามทางของเขาเส้นทางของใครก็คือทางของใครเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นทางไหมเป็นเป็นมักอยู่แล้วแต่ว่ามักไปไหนล่ะอนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละเป็นเหตุแห่ง ทั้งหนะเป็นเหตุแห่งนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นเหตุแห่งมนุษย์เทวดาและพรหมโลกกายวาจาใจเหล่านี้แหละเป็นเหตุแห่งพระนิพพานก็สุดแท้แต่การกระทาทางกายวาจาและใจนั่นแหลอะอาธรรมเทพพุตรก็คือพระเทวทัศน์อีกนั่นแหละโอแต่ก็ถามว่าเอ๊ะเขามีคนถามว่า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 ใกล้ใช่ไหมเหตุการ์ร้อยปีเล่าออภายในสามนาทีก็จบหมดองั้นใช่ไหมพุทธประวัตินี้เล่าสองนาทีจบเลยอะไรนะบําเพนก็กพระองค์บัมเพนบารมีมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรุปป ร, รินิพานตอนนี้เหลือแต่พระาธาตุจบหมดใช่ไหมแป๊เดียวเนี่ยจบหมดแล้วอย่างนั้นมันก็เรียกว่าย่อเรื่องเนี่ยโดยวาจาย่อไม่ยากนะพันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เหมือนการบางทีก็เอามาช น, นชนกันเฉยเฉยเท่านั้นแหละ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 ก็เลยใ้มานับถือพระพุทธเจ้าในตอนตอนท้ายเราไม่เลือกที่จะนับถือพระเทวทัตเนี่ยนะสรุปว่าคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้มีอะไรบ้างคุณานุภาพของท่านก็บอกว่าการที่พระโพธิสัตว์เปี่ยมไปด้วยอายุวรณนนะยศความสุขและความเป็นใหญ่ในในสวรรค์เนี่ยนะอันเป็นทิพย์สมบูรณ์ด้วยกามคุณที่ยิ่งใหญ่อันเป็นทิพย์เหมือนกันมีนางอับซรเป็นพันบริวาร น, นะมีนางอับซรบัมเรออยู่ เรียกว่าน่าจะตั้งอยู่ในความประมาทใช่ั้ยสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยนะอายุก็ยืนวันหน้าก่องงามยศก็ใหญ่เต็มไปด้วยความสุขรูปเสียงกลิ่นรสมีบริวารเต็มควรที่จะอยู่อย่างสบายแทนที่จะตั้งอยู่ในความประมาทแบบนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้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 เพื่อจะยังสรรพสัตว์ให้เว้นจากอธรรมคืออกุศลกรรมบท น, นะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้ประกอบด้วยพระมหากรุณามุ่งหวังที่จะให้สัตว์ทั้งหลายออกจากอากุศลกรรมบทเมื่อออกจากอากุศลกรรมบทแล้วจะได้ตั้งมั่นในกุศลกรรมบทประพฤติในทางแห่งสุขติคุณธรรมอันอื่นอีกของพระโพธิสัตว์ก็คือแม้พบกับอาธรรมเทพบุตรก็ม่ได้คำหนึงถึงความไร้มารยาท ที่อาธรรมเทพบุตรแสดงออกมาเรียกว่าไม่สนใจในคำพูดของคนเลวไม่ทาจิตให้โกรธเคืองในอาธรรมเทพบุตรยังขันติเมตตาและกรุณาเท่านั้นให้ตั้งอยู่เอนดูนีแ้แปลว่ากรุณาเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยสมาทานอยู่ในขันติเมตตาและกรุณารักษาศีลของตนไม่ให้ขาดให้บริสุทธิ์ได้เป็นอย่างดีคุณธรรมเหล่านี้ทาให้พระองค์ได้เป็น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 มันก็เราเขาทั้งหลายก็เชื่อว่าได้ดีแล้วที่มีพระศาสดาที่มีคุณเช่นนี้นะก็คงไม่เบื่อไม่น่ายที่จะนอบน้อมน้ำมศการพระองค์ไม่เบื่อที่จะบูชาด้วยอมิตรบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นต้นการบูชาเหล่านี้จะบูชาด้วยอมิตรและการปฏิบัติการบูชาเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายตลอดกาลนานขอให้เราทั้งหลายได้ประสบกับประโยชน์ที่พระพุทธเจ้า ประสงค์ทุกประการทั่วนหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้